หนึ่งร้อรวมเรื่องที่มีในเพศัชขันธกะเรื่องภิกษุอาพาธในฤดูศาสเรื่องเพศัตห้าในเวลาวิกาลเรื่องน้ำมันเหลวที่เป็นยาเรื่องรากไม้ที่เป็นยาเรื่องรากไม้บทที่เป็นยาเรื่องน้ำฝาดที่เป็นยาเรื่องใบไม้ที่เป็นยา เรื่องผลไม้ที่เป็นยาเรื่องยางไม้ที่เป็นยาเรื่องเกลือที่เป็นยาเรื่องมูลโคดับกลิ่นตัวเรื่องยาผงและเครื่องร่อนยาเรื่องเนื้อดิบและเลือดสดเรื่องยาหยอดตาเรื่องเครื่องบทยาผสมยาตาเรื่องกลักยาตา เรื่องกลักยาตาชนิดต่างๆเรื่องกลักยาตาไม่มีฝาปิดเรื่องไม้ป้ายยาตาเรื่องที่เก็บไม้ป้ายยาตาเรื่องถุงกลักยาตาเรื่องเชือกผูกเป็นสายสะพายเรื่องน้ำมันทาศีสักเรื่องนัดยาเรื่องกล้องยานัดเรื่องสูตรควัน กล้องสูตรควันและฝาปิดกล้องสูตรควันเรื่องถุงกล้องสูตรควันเรื่องน้ำมันหงเรื่องน้ำเมาเจือในน้ำมันหงเรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไปเรื่องทรงอนุญาตน้ำมันเจือน้ำเมามากใช้เป็นยาทาเรื่องลักจัน์เรื่องการรมเหงื่อเรื่องการรมด้วยใบไม้ เรื่องการรมใหญ่เรื่องการรมด้วยใบไม้ต่างๆเรื่องอ่างน้ำเรื่องระบายโลหิตออกเรื่องใช้เขาสัตว์ก่กระบายโลหิตออกเรื่องยาทาเท้าเรื่องปรุงน้ำมันทาเท้าเรื่องผ่าฝีเรื่องน้ำฝาดเรื่องงาบทเรื่องยาพ่อ เรื่องผ้าพันแผลเรื่องชะแผลด้วยน้ำแป้งมเมล็ดผักกาดเรื่องรมแผลด้วยควันเรื่องใช้ก้อนเกลือตัดเนื้องอกเรื่องน้ำมันทาแผลเรื่องผ้าปิดกันน้ำมันไหลเยิ้มเรื่องยามหาวิกฤตสี่อย่างเรื่องรับประเคณเรื่องดื่มน้ำเจือคูด เรื่องภิกษุโดนยาแฝดดื่มน้ำที่ละลายจากดินติดผานไถเรื่องดื่มน้ำด่างดิบเรื่องดื่มน้ำสมอดองมูดโครเรื่องไล้ทาของหอมเรื่องดื่มยาไายเรื่องน้ำข้าวใสเรื่องน้ำต้มถั่วเขียวไม่ข้นเรื่องน้ำต้มถั่วเขียวข้น เรื่องน้ำต้มเนื้อเรื่องพระปิลินทวัชชะทำความสะอาดเงื้อมเขาและพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานคนงานวัดเรื่องฉันเพสัตที่เก็บไว้เจ็ดวันเรื่องน้ำอ้อยงบเรื่องถั่วเขียวเรื่องยาดองโลนะโศวีรกะกัเรื่องอาหารที่หุงต้มเองเรื่องอุ่นพัตตาหาร เรื่องให้เก็บอาหารไว้ภายในและหุงต้มเองเมื่อคราวจำเป็นเรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้วเรื่องพรามถวายงาและน้าผึ้งเรื่องของฉันที่รับประเคนไว้ตอนเช้าเรื่องพระสารีบุตรอาพาธร้อนในกายเรื่องฉันผลไม้ที่ปล่อนเมล็ดออกเรื่องฤทิษษีดวงทวาร เรื่องทรงห้ามทำวัติกรรมเรื่องอุบาสิกาสุปียาเชื่อดเนื้อขาอ่อนถวายเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อช้างเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อม้าเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนัขเรื่องทรงห้ามฉันเนื้องูเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อราชสีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อเสือดาวเรื่องพรามคอยโอกาสถวายพระ ต, ตาหารเรื่องมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่เรื่องรับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไม่พึงไปฉันอีกที่หนึ่งเรื่องพรามเพัถะกัจจานะถวายน้ำอ้อยงบ เรื่องทรงรับอาคารพระแรมเรื่องมหาอามาตสุนีทะและวัศการะเรื่องประตูโคดมและท่าโคดมที่แม่น้ำคงคาเรื่องทรงแสดงอริยสัจที่โกติคามเรื่องหญิงงามเมืองชื่ออัมภะปาลีเรื่องเจ้าลิชชวีเรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจง เรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารได้ง่ายเรื่องทรงห้ามอาหารที่หุงต้มภายในเป็นต้นเรื่องฝนตั้งเขาเรื่องพระยะโสชะเป็นไข้เรื่องเมนดกะขหาบดีถวายปัญจโครถกับสเสบียงเดินทางเรื่องเกนิยชดินถวายน้ำอัฐบาลคือน้ำมะม่วงน้ำว่า น้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะสางน้ำลูกจันหรือองุ่นน้ำเง่าบัวน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่เรื่องเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทําด้วยแป้งเรื่องภิกษุเท่าเคยเป็นช่างกระบกในเมืองอาตุมาเรื่องผลไม้ดาดเดินในกรุงสาวัตถี เรื่องปลูกพืชเรื่องภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงในข้อปฏิบัติ บ, ตบางอย่างเรื่องทรงอนุญาตกาลิกพระคนกันเพศัตชะขันธกะจบ